น้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโคกหลงพักมเพื่อนสัตทมิทุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีระยะธรรมทุกท่าน เ, าเราก็ได้มาฝึกอบรมปฏิบัติทำที่วัดป่าสโ ต, โตในช่วงสงกรานนี้เนาะ <c oughs> ก็ชื่อว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์กับตัวเราเอง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวกันในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะแต่เราก็มาฝึกอบรมกายและใจของเราตรงนี้จะเป็นประโยชน์ติดตัวเราไปทั้งในภพนี้และภพหน้าเนาะควนี้วิธีที่เราอบรมปฏิบัติ ร, รมกันก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4ี่นะก็คือการที่เรามารู้ากายเวทนาจิตธรรมนะ เรื่องกายนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนะ่ยเป็นสิ่งที่เร า, อ, าอยู่กับเขาตั้งแต่ต้นแล้วนะก็คือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละบางคนก็อยู่กับเขามา5้าหปีแล้วนะแต่อยู่ที่ว่าเรากลับมาเห็นเขาไหมเนาะบางที่เรายืนเดินนั่งนอนนี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเรากําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกำลังนอนอยู่เนาะแต่พระเจ้าก็ได้ทรงกลับมาชี้ บอกว่ายืนก็ให้รู้ว่ายื น, นเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอ น, น อ, อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ตัวเราเองอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสังเกตในตรงนี้น ะ, น ะ, นะเราก็เลยไม่เราก็เลยไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทาอะไรอยู่นะตรงนี้เป็นภูมิปัญญาของพระเจ้าเลยซึ่งเป็นเรื่องในตัวเราเองแต่เราไม่เคยสังเกตในตรงนี้นะ เราหลังนั้นก็ทรงให้เราเห็นว่าการเดินหน้าถอยหลังเหลวซ้ายแลขวาการคู่แขนเหยียดแขนการก้มการเงยการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการทรงสังฆาติจีวรหรือใส่เสื้อผ้าต่างๆดื่มกินพูดคิดลิมเคี้ยวทั้งหลายเราเนี่ยเรากลับมารู้ไหมนะอันนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ ติดตัวเราอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่เราก็ไม่เคยกลับมาสังเกตในตรงนี้ได้เลยการที่เราไม่สังเกตนั่นแหละชื่อว่าเรา เ, าเป็นคนหลงไปนะเพราะเราไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่เนี่เพราะนั้นเป็นสิ่งที่ว่าเรากลับมารู้ในสิ่งที่เป็นขณะปัจจุบันนี้นั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นนะบางที่ท่านนั่งอยู่ขณะ น, น, นี้ท่านรู้ว่ากลังนั่งไหมนะ พอได้ยินปุ๊บโอ้กลับมารูกาลังนั่งนะอันนี้นะถ้าเรารู้ว่ากาลังนั่งนี่ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกวาอ่านั่งก็ให้รู้ว่านั่งนะหรือเร า, า จ, จะยกยกมือสร้างจังหวะเนี่ยเรารู้ไหมว่าขณะนี้กำลังมีการเคลื่อนไหวกำลังยกมือนะหรือเราอาจจะนั่งพลิกมือเล่นๆพลินะพกความพลิกหงายเนี่อเรารู้ไหมขณะนี้กำลังพลิกมือ นะถ้าเรากลับมารู้ขนาดนี้กาลังพลิกมือกำลังยกมือนี่ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะเป็นการคู่แขนเหยียดแข น, นรู้นะแต่ถ้าหากว่าเรากำลังพลิกมือหรือกำลังยกมือสร้างจังหวะก็ดีแต่เราก็คิดไปถึงบ้านนะคิดถึงใครๆนะอันนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าแม้แต่เราเคลื่อนไหวก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าขณะนี้เรากาลังทำอะไร แต่ก็กลังคิดไปในเรื่องอื่นอันนี้ก็ชื่อว่าเราหลงอยู่นะเพราะนั้นเราก็กลับมารู้ในการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่แขนเหยียดแขนจะพลิกมือดื่มกินพูดคิดก็กลับมารู้ขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วนะหรือแม้แต่ใครที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเล ย, เลยนะแต่รู้ว่ากาลังนั่งอยู่นี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว แล้วก็เลยจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวก็ได้นะเพราะความรู้สึกตัวกับปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งเดียวกันนะการที <t os millet> ่เราเคลื่อนไหวนั้นก็คือเราอยู่กับปัจจุบันแต่เมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ต้องจิตก็ต้องมีความรับรู้ไปด้วยนะเมื่อจิตมีการรับรู้เกิดขึ้นว่าขณะนี้กําลังเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็จริงแต่ว่าจิตไม่รับรู้การเคลื่อนไหวก็กลายเป็นความหลงไปอีกนะ เพราะนั้นความที่รู้สึกตัวนี่ก็คือรู้สึกตัวในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็รู้สึกตัวในปัจจบันมันก็ไม่ได้เป็นการอาศัยความคิดแตอย่างใดนะเช่นเรานั่งอยู่นี่แหละเราก็ไม่ทำมันคิดว่ากําลังนั่งนะแต่ความจริงก็คือตรงนี้เรากําลังนั่งอยู่มันเป็นความจริงอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดมันนะในขณะที่เรายกมือสร้างยังหวะกันเหมือนกันหรือพลิกมือก็เหมือนกันเราก็ไปไม่ต้องคิดว่าเออขณะนี้กำลังพลิกมือหรือสร้างยังหวะ แต่ว่ามันก็คือความจริงในขณะนั้นเพราะนั้นมันความจริงก็ไม่ต้องอาศัยความคิดแต่เป็นการอาศัยความรู้เท่านั้นเองความรู้เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราณนะขณะนี้เราคิดไปถึงเมื่อวานนี้กำลังกินข้าวกับอะไรนะหรือเมื่อวานทำอะไรอยู่นะอันนี้มันต้องอาศัยความคิดนะเพราะเป็นเรื่องหอดีดนะหรือว่าเราจะกลับบ้านวันไหนรถจะติดไหม อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเราก็ต้องใส่ความคิดนะซึ่งมันไม่ใช่ขณะปัจจุบันแต่เป็นเรื่องของอดีตและอนาคตพวกนี้ต้องอาศัยความคิดทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องใส่ความคิดอาศัายความรู้เท่านั้นเองนะรู้ในขณะนี้แหละกําลังทําอะไรอยู่กําลังยืนเดินนั่งนอนกําลังพลิกมือทั้งหลายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราไม่ต้องใส่ความคิดแต่อาศัายความรู้เท่านั้นเอง เพราะนั้นเมื่อเราอาศัยความรู้แล้วเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแวบไปในอดีตหรือนาคตก็แล้วแต่เราก็จะรู้ทันนะเพราะนั้นเราจึงไม่ได้ห้ามความคิดแต่ว่าเราเพียงแค่ว่าเมื่อเขาคิดไปเราก็เรารู้ไหมเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ปเป็นเรื่องของจิตตานะที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นความคิดต่างๆได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันนะแต่ถ้าเราไหลเข้าไปแล้วนะไหลเข้าไปในอดีตหรือนาคตแล้วเนะี่ยมันเขเาเราหลงไปเราก็นะ ถ้าไม่มีตัวรู้อยู่มันก็จะไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนแต่ถ้าในขณะเรารู้อยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเมื่อจิตหลงไหลเข้าไปในอดีตหรืออนาคตเราก็สังเกตได้ไวขึ้นเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะจริงเรื่องว่าเราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดแต่ว่าเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ได้ไหมเท่านั้นเองนะการที่เรารู้นั่นแหละคือสติแล้วเพราะสติก็คือความระลึกได้เท่านั้นเองเระลึกได้ว่าเราหลงไปแล้วระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้ว แค่เราระลึกได้เท่านั้นเองก็เป็นสติแล้วนะส่วนการที่เขากลับมานั่นคือสัมปชัญญะคือความรู้ความรู้ตัวรู้สึกตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ความรู้สึกตัวหรือกลับมาที่ตัวเรานั่นแหละคำว่ารู้สึกตัวก็คือกลับมาที่ตัวเรานะแม้แต่เราไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เรารู้ขนาดนี้กําลังนั่งอยู่ถึงแม้ไม่ได้เคลื่อนไหวก็เป็นความรู้สึกตัวแล้วเพราะว่าเขากลับมากลับมาได้นั่นเองนะแต่ถ้ากลับมาไม่ได้ก็ชื่อว่าเขาหลงไป มนะาหลงพระเทียงก็เลยบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเพราะว่าถ้าเราจับประเด็นไม่ถูกเราจะคิดว่าเออมาปฏิบัติธรรมแล้วให้จิตมีความสงบจิตไม่ค่อยคิดอะไรไปคอยบังคับเขาไวนะ้อันนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าเราปฏิบัติแบบสมถะแต่เราก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเมื่อเข้าคิดไปแล้วเรารู้ไหมนะตรงนี้คือความเป็นจริงต่างหากเนาะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ให้เขาต้องนิ่งสงบ แต่ว่าเขานิ่งสงบก็ไม่เป็นไรนะเราก็รู้ไปว่าเขานิ่งสงบเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ไปติดในตรงนั้นว่าจะต้องนิ่งสงบทุกๆครั้งที่เกิดการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะนิ่งหรือไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือความจริงแล้วนะแต่เราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นในกายและในใจของเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกวา่าผู้เจ้านี่ <c oughs> ทรงมี <c oughs> สติปัญญาในตรงนี้ <c oughs> ว่าให้เรากลับมารู้ที่ตัวเรา ไม่ได้ไปสแสวงหาที่อื่นนะเพราะนันในสารณอื่นๆนี่ก็มีการไปสแสวงหาต่างๆเ <ๆ S 1> ยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ได้กลับมารู้ที่ตัวเราอันนี้จึงเรียกว่าเราน่ยอยู่กับพุทธะนะพุทธะคือเป็นผู้รู้นั่นเองรู้รู้ที่ตัวเรานะะ่แะเราไม่ได้ไปรู้ที่อื่นหรือที่มีคําพูดว่า <c oughs> <c oughs> เราจะลบจะชนะศึกอทั่วทั่วโลกนะชนะทุกคนในโลก <c oughs> แต่ก็สู้ชนะตัวเองไม่ได้นะ ก็คือมันกลับมาที่ตัวเราเองทั้งหลายแหละกลับให้ตัวเราทั้งหมดนะหรือเราจะมีความรู้ทั่วจักรวาลนะแต่ก็กลับมารู้ตัวเราเองไม่ได้นะเพราะการที่มันจะจบก็จบที่ตัวเราไม่ได้ไปรู้จักรวาลทั้งหมดรู้จักรวาลมันไม่จบอะไรเลยนะเพราะคำสอนพูะเจ้าทั้งหมดกลับมาที่ตัวเราไม่ได้ไปหาที่อื่นเนาะ <c oughs> ต่อมาก็ให้รู้ในเวทนาเวทนาก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออ اؤ, ทุกขมาสุขเวทนาคือเฉย นะเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตได้อยู่ บ, บ, นะ people, บ่อยๆนะว่าเป็นเรื่องจริงที่เราประสบอยู่นะบางท่านตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยนะนี่ก็คือความทุกข์แล้วนะนะหรืออาจจะปวดอุจจาะปัสสบะนี่ก็คือความทุกขนะ์หรือบางท่านอาจจะมีความหิวเกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นความทุกข์บางท่านก็ยังง่วงนอนนะนี่ก็เป็นความทุกข์นี่คือปัจจุบันนี่เราเห็นไหมในความทุกข์ปัจจุบันนี่แหละ ไม่เราไปคิดถึงความทุกข์ในอดีตหรือนาคตหรอกใช่ไหมความทุกข์ในอดีตมันผ่านมาแล้วนะบางทีเราจะลำบากวันนี้ต้องเยอะแยะหรือความทุกข์ในนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงแต่เราก็ไปกังวลถึงก่อนนั้นคือความคิดทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงความทุกข์ที่แท้จริงก็กลับมาที่กายและใจเรานี่แหละว่าขณะนี้เรามีความทุกข์อะไรไหมสิ่งที่เกิดขึ้นนะบางท่านอาจจะมีรู้สึกความหนาวเกิดขึ้นนี่ก็เป็นความทุกข์นะความทุกข์มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสหรือยิ่งใหญ่ แต่เป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆในตัวเรานี่แหละเราสามารถสังเกตเห็นเขาได้ไหมนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่วัดนะมันไม่ได้เป็นความสุขจริงๆเพราะเราก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านนะไม่มนะีที่นอนที่นุ่มๆนุ่มๆนวนลวไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นการที่ให้เรารู้จกักทุกข์นั่นเองนะนะกลับมารู้จักทุกข์ให้มันตรงเนี้ยมันเป็นการฝืนกิเลสนะ ถ้าเราทําตามใจกิเลสทุกอย่างมันก็อยู่บ้านนะอยากจะนอนก็ได้นอนอยากจะกินก็ได้กินที่เราชอบใจอีกด้วยนะอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากจะดูโทรทัศน์ดูหนังดูทุกอย่างฟังเพลงอันนั้นเราทําตามใจเราตามตามกิเลสเมื่อเราไหลเข้าไปในกิเลสแล้วเรากรร็รู้ไม่ทันกิเลสในใจเรานะแต่ถ้าเรามาอยู่วัดแล้ว เ, เราก็จะสังเกตกิเลสเราได้นะ อยากจะกินที่อร่อยอ่อยเราก็ไม่ได้รับประทานในตรงนั้นอยากจะนอนสบายก็ไม่ได้ทำตามใจนะอยากจะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวอยากจะดูก็ไม่ได้ดูอันนี้คือกลับมารู้ความจริงในตรงนี้ล่ะอันนี้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกตัวฝึกตนก็คือให้เรารู้จักกิเลสเราเองนะไม่ใช่ทำตามกิเลสเราเพราะฉะนั้นคนที่จะออกจากกิเลสได้ก็คือต้องฝืนกิเลสต้องรู้จักกิเลสเราเองเหมือนกับความเป็นพระนี่แหละใช่ ความเป็นพระ ห, หรือความบันชีนี่ก็เรียกว่าเราเราอยู่ตรงนี้เป็นการฝึกตัวฝึกตนนะแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ไหนที่มันสบายตามใจลรทุกอย่างเลยนี่มันไม่ได้เป็นการฝึกตัวฝึกตนเพราะการฝึกหมายถึงการฝืนนะฝืนกินเลสนั่นเองนะเหมือนกับกิเลมันจะไหลให้เราลงไปสู่ในที่ต่ำเสมออยากให้ไปประสบกับรูปรสกลิ่นเสียงปพภะธรรมมที่เราชอบใจในอดีตต่างที่เราเคยติดใจ เราก็ค่อยๆถอนตัวออกมาค่อยๆค่อยๆไหว้ทวนน้ำนะคนที่ไหลไปในกิเลสก็เรียกไหลไปตามความสบายไหลไปตามอารมณ์ของใจที่เขาชอบเช่นนั้นอยู่แล้วอันนั้นเป็นกองกิเลสนะนั่นคือสิ่งที่เราเคยพบมานับพบนับชาติไม่ทวนอยู่แล้วนะแต่เราสามารถที่จ ะ, ะไหวยน้ําทวนกระแสเขาได้ไหมนะฝืนเขาได้ไหมนะสามารถอยู่ได้ทุกๆแห่งที่ ไม่มีรูปรดกลิ่นเสียงผลพะธาธรรมอมที่เป็นการสนองกิน เ, เรานะตรงนี้มันก็จะทําให้เราสังเกตใจของเราไ ด, ได้ง่ายขึ้นนะในความที่เป็นความสุขหรือความทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราเราก็ไม่ได้ไปแสวงหาความสุขนะหรือไม่ได้ไปแสวงหาความทุกข์แต่เราก็สามารถอยู่ได้ทุกทุกแห่งที่ไม่ว่าตรงนั้นจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เพราะใจเราสามารถยอมรับในสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ในขณะนั้น นนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นในเวทนาเนี่ยได้นะอย่างชัดเจนโดยเราเมื่อเกิดวินเวทนาปุ๊บเราก็ไปสนอง ก, กันทันทีนะเราก็ไม่เห็นแต่เราอยู่เขาได้ไหมสุขก็อยู่เขาได้ทุกข์ก็อยู่เ ข, า, เ ข, า, เขาได้โดยที่มีการจิตที่ยอมรับในสิ่งต่างที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะเราจะสูญเสียคนที่เรารักสูญเสียสิ่งของต่างๆที่เราชอบไปนะแต่ในตรงนั้นนะเราสามารถสังเกตในตรงนี้ได้ไหมว่า นี่แหละคือความทุกข์แล้วนะแล้วเราก็ยอมรับเขาได้ไหมบางท่านอาจจะเป็นมะเร็งนะถ้าไม่ยอมรับมันก็มีความทุกข์ไปนานนะแต่ถ้าใครยอมรับเร็วมันก็ความทุกข์มันก็จะน้อยลงนะเพราะการสูญเสียทุกอย่างมีความทุกข์ทั้งนั้นแต่ก็อาศัยการเวลานั่นแหละมันจะเยียวยาทําให้จิตยอมรับเกิดขึ้นนะอยู่ที่จิตเรายอมรับเขาเร็วไหมนะถ้ายอมรับเขาเร็วเราก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยแต่ถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าเราไม่ยอมรับเราจะมีความทุกข์นานเพราะฉะนั้นเวทนาในแหละก็คือกัรมายอมรับความจริงในความสุขและความทุกข์นั่นเองต่อมาก็เรื่องจิตจิตตานุปัสนาพระเจ้าบอกว่าอาจิตมีราคาก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะอาจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะ จิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะก็คือให้รู้ตามความจริงในจิตแต่ละขณะแต่ละณนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคะให้รู้ให้ละราคะไปจิตมีโทสะให้ละโทสะนะแต่ให้รู้เท่านั้นเองนะให้รู้นะตรงนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนาเลยนะก็คือกลับมารู้ความจริงในความโลบความโกรธความหลงในใจเรานี่แหละเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะทําทอย่างไรกับเขา นะความโลภความโกรธความหลงอันนี้ที่ว่าเป็นอกิเลตอย่างหนึ่งนะครั้นะี้การที่เรารู้ตรงนี้เราจะทําอย่างไรต่อไปก็ให้รู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยๆรู้เฉยๆเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นความจริงของเขาว่าเขาแสดงอาการความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยตัวของเขาเองไม่ใช่โดยฝีมือของเรานะแต่ถ้า ม, มีความโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ไปจัดการให้ความโกรธดับไป ไปละความโกรธเราก็ไม่เห็นความจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยตัวเขาเองนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะท้าไม่บอกถ้าไมแบบว่ามีโทสะก็ให้เป็นละโทสะแต่ว่าให้เราเห็นนะให้เราเห็นให้เรารู้เมื่อเราเห็นเราเรารู้แล้วเป็นผู้สังเกตแล้วเราก็เห็นว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยตัวเขาเองเราจะได้เห็นความเกิดและความดับซึ่งเป็นธรรม า, านุปัสสนาติปฐานนะแต่ว่าเราสามารถไปจัดการทุกๆลมที่เกิดขึ้นมาได้ นะมีความโกรธความไม่พอใจความรักความชังแล้วเราก็ไปจัด ก, การให้เขาดับได้โดยตัวของเราเองแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นสภาวะที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะนั้นไม่กลายเป็นตัวตนของเราที่ว่าเราไปจัดการเขาได้อันนี้มันก็จะกลายเป็นอัตราตัวตนเป็นสิ่งระบางังคับบัญชาเขาได้นะมันมก็จะไม่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่เราเห็นความเป็นอนตัอนตราอัตราคือความที่เราเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวมรตนของเรา เนะพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ไหมนะเห็นได้อย่างไรนะว่า เ, เมื่อมีคนเข้ามาด่าเราแล้วเราเห็นไม่ว่าจิตเข้าไปโกรธนะจิตเข้าไปโกรธนะหรือมีใครเข้ามาชมเราเราเห็นไม่ว่าจิตไปชอบนะนะหรือมีใครเข้ามาทำน่าเกลียดเราเห็นไม่ว่าจิตของเขาไปเกลียดนะอันนี้ท่านใช้คำว่าจิตเข้าไปเกลียดไปรักไปชังไม่ใช่เรานะเราโกรธนะ มันมันต่างกันเราเราโกรธกับจิตเข้าไปโกรธนี่มันก็ต่างกันแล้วนะมันก็บอกแล้วว่าเราโกรธกับจิตเข้าไปโกรธจิตจิตก็ไม่ใช่ของเรานะอันนี้เราต้องมีพื้นฐานในในการที่ว่าเราศึกษาที่พระเจ้าพระพุทธวจนะก่อนที่เราสวดมนต์ทุกวันนั่นแหละพระเจ้าแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณคือกายและใจรูปก็คือกายเวทนาสัญญ า, ส, ญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็คือใจนะเป็นอนิอนจจังทุกขังนัตาไม่ตัวไม่ใช่ตน ที่เราสวดมนต์ทุกวันนะก็คือกายและใจเนี่ยไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดจากใจก็เป็นเรื่องของใจไม่ใช่ของเรานะสิ่งนี้เกิดจากใจคืออาการของใจต่างๆเช่นความรัก <Meng ungs Tube> ความชังความโกรธความเกลียดความเหงาความเครียดความกลัวความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความอิจฉาต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของใจนะก็จึงบอกว่าเอโกรธก็คือใจไปโกรธนะรักก็คือใจเป็นรักอิจฉาก็คือใจไปอิจฉามันไม่ใช่เรานะใจไม่ใช่เราก็เป็นเรื่องของใจ <N> um> ถ้าเป็นเรื่องใจมันก็จบนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเรามันก็ไม่จบน ะ, ะมีใครเข้ามาด่าเรา เ, ออเข้ามาด่าเราเราก็ว่าเข้ามาด่าเรา Leah, มันก็ไม่จบนะเพราะมันไม่จบหรอกเพราะเราต้องไปเถนะียงเขาต่อต้องมีเรื่องต่อไปนะไปเถียงเขาบ้างไปทําร้ายเขาบ้างนะแต่ถ้าเขาด่าเราแล้วมีความโกรธขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่าออขณะนี้มีความโกรธขึ้นมาในใจเราแล้วใจเขาไปโกรธแล้วนะอันเนี่ยเมื่อเราเห็นตรงนี้มีปัญญาเดิมอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรา เรื่องใจไม่งเราก็เราก็เลยวางได้เร็วขึ้นนะมันอาจจะวางไม่ได้ร้อเซ็นแต่มันก็วางได้เร็วขึ้นมันก็ออกจากร่มต่างๆได้เร็วขึ้นเพราะเป็นเรื่องของใจไม่เรื่องเราใจไม่งเราอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดจากใจจริงไม่ใช่ของเราด้วยตรงนี้มันจึงเป็นประเด็นสําคัญว่าบางคนก็ไปบัตรมาต้องนานหลายๆปีแล้วนะก็บอกว่าเออทำไมไปบัตรมาต้องนานแล้วรู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยนะก็ถามว่าทําไมถึงไม่ก้าวหน้า เขาบอกว่าเาก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะมันก็ไม่เห็นจะหมดไปอย่างไรนะก็เลยที่ใบเขาฟังว่านะจริงๆแล้วนะใจก็ไม่ใช่ขงเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงมันจึงไม่ใช่ของเราแต่เป็นเรื่องของใจนะเราก็เป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะเข้ามาแล้วก็ไปนะเมือนก็ใจนี่แหละส่วนหนึ่งคือใจนะความโลภความโกรธความหลงเขาก็จรมาจรมาเขาแค่จรมานะเขาไม่ได้เป็นอยู่ประจําในใจเราหรอกเขาจรมา แต่เมื่อเขาจอยมาแล้วเรายึดว่าเออตรงนี้เราโกรธเรารักเราชังเราก็กไปตะครุบเอาไว้ก็เป็นของเรามันจึงอยู่กับเรานานพอสมควรนะแต่ในที่สุดเขาก็ไปนะทุกอารมณ์เนี่ยเขามาแล้วก็ไปทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเป็นของเราเขาต้องอยู่กับเราตลอดการเรานานนะแต่ถ้าไม่ยังเราแล้วเขาก็มาแล้วก็ไปนี่แสดงเขามาแล้วก็ไปคือความเกิดความดับความเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยตรงนี้มันเห็นได้ชัดเจนนะเขาสังเกตไหมว่า เมื่อเขามีความโกรธหรือความโลภแล้วเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกันนะเขาจึงไม่ใช่เราแต่เราไปยึดเองว่าเป็นของเราแต่เขาก็มาตามเหตุตามปัจจัยที่เขาเกิดของเขาเองนะแล้วเขาก็ดับเขาเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเช่นนั้นเองเพราะตาบใดที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะมีการกระทบต่อรูปรสกลิ่นเสียงผลธาตุธรรมลมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะเราไม่ได้หูหนวกตาบอดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ไหมว่าเขา เขาเป็นของเขาเช่นนั้นเองเขามาตามเหตุตามบัจจัยแล้วเราก็แค่รู้เฉยเฉยก็พอแล้วนะรู้เฉยเฉยาก็ไปเองเขาเอง <c oughs> เขาก็แสดงถึงความเป็นอนิจจังทุกทางตาที่ว่าเข้ามาแล้วก็ไปเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยนะจีก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางเองแต่ถ้าเราไปบัติธรรมนานแล้วเราก็ยังยึดว่าเออนี่เราโกรธเรารักเรารชังอยูนะ่นั่นนี่มันแสดงว่าเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละไม่ได้พล่องไปไหนเลยนะเพราะฉนั้นเขาก็อยู่กับเราต่อไป นะเป็นความทุกข์เราต้องประจนต่อไปเพราะเรายังไม่เกิดปัญญาในการเห็นอันนีจังลูกนักตาว่าระวังคำบัญชาก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเมรรตตนของเรานะตรงนี้จึงต้องสังเกตให้ไวนะว่าเออเราก็ไม่ต้องไปลา ก, กิเลสหรอกอย่างที่ว่าราคากลุ่มมีราคาโทสะก็รู้มีาาโทสะเราไม่ต้องไปลา ก, กิเลสก็แค่เรารู้ไปตามความเป็จริงเท่านั้นเองว่า เ, ออเกิดขึ้นเขาก็มา เ, ออเขาก็มาก็ช่างเขา ในสุดเขาก็ไปเขาเองนะจิตมันจะค่อยๆปล่อยค่อยวางความยึดติดในตรงนี้ว่าเราต้องไปจัดการอะไรก เ, เขาไหมนะเพราะนั้นมันต ร, ตรงนี้มันจิต ก, กายที่ว่าหลวงปู่เทียนหรือหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าให้รู้เฉยๆรู้ซึ้งนั่นแหละท่านผู้ไว้ชัดเจนนะรู้เฉยๆรู้ซึ้งทุกๆอย่างเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะให้เห็นว่ามันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะอย่างที่หลวงพ่ อ, อคำเขียนก็เคยพูดไว้บอกว่ามีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็มาหาท่าน บอกว่าหนูเครียดจังเลยนะหลวงพ่อให้พูดใหม่ก็เลยพูดว่าหนูเห็นว่ามันเครียดนะท่าเบอเออในใช้ได้พูดถูกต้องแล้วนะก็คือให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นก็คือเป็นผู้เห็นนั่นเองนะไม่ใช่เราเป็นเป็นผู้เห็นมันก็คือไม่ใช่เรานั่นเองนะแต่ถ้าเป็นเราเราเครียดอะมันก็คือเป็นเราเนี่ยตรงนี้นะครูบาอาจารย์นั่นพูดไว้ชัดเจนเลยเพราะฉนั้นก็รู้เฉยๆรู้เฉยๆมันก็ไปตรงกับที่ว่าศักแต่ว่านะมันก็ที่พระพายะนั่นแหละ พระพายาเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพระรหันต์ได้เร็วที่สุดนะเป็นผู้ที่ฟังธรรมครั้งเดียวบรรลุเป็นพระรหันต์เลยแล้วก็ได้เป็นในทักคะในการบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าแค่เทศให้พระพายาฟังเพียงสั้นๆบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดอย่างทุกข์ละพอเทศเท่านี้พระพายาก็บรรลุเป็นพระรหันต์เลยนะ คำว่าสักแต่ว่าก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะก็คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะการที่เราจะเห็นหรือเราจะได้ยินต่างๆแล้วเนี่ยเราหนีไม่ไมพ้นแต่เมื่อเราเห็นหรือเราได้ยินแล้วเนี่ยสำคัญว่าเราเราไม่ไปคิดต่อได้ไหมนะเมนะื่อทีเเนะ่เราเห็นคนที่เราเกลียดนะคนเราเห็นคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบเนะี่ยเป็นศัตรูของเราสัญญาเก่าก็กคือสัญญาเก่าก็คือ ค, อความจาได้มันก็จะมากระตุ้นจิตเราว่าเออไอ้นี่เราเกลียดนะ เราเกลียดเขามากเลยนะนี่แหละมันเป็นสัญญาเก่ามันเกลียดมันก็เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นคนที่เราเกลียดแล้วเรารู้เฉยๆได้ไหมนะตรงนี้มันสำคัญมากเลยนะการที่เรารู้เฉยๆก็คือเราไม่ไปคิดต่อ น, นั่นเองนะนะเราอาจจะเห็นคนที่เรารักนะเมื่อเมื่อปรากฏคนที่เรารักขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเราเราก็จะเกิดความพอใจเกิดขึ้นนะแล้วเราอาจจะอยากไปพูดไปคุยนะอันนั้นมันไม่เป็นการรู้เฉยแล้ว แต่การรู้เฉยก็คือเราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ไหมก็คือเราไม่ไปคิดต่อไม่ไปปรุงแต่งต่อนะเมื่อไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปคิดต่อมันก็ดับในขณะนั้นนะจะเห็นสภาวะที่มันเกิดระดับในตรงนั้นเหมือนกันนะหรือได้ยินก็เหมือนกันนะนะได้ยินคนเขา้ามาด่าเรามานินทาเรานะเราก็จะไปปรุงแต่งต่อโดยสัญญาเก่าในในความเป็นตัวตนนี่แหละนะแล้วก็สัญญาที่ว่าเออเข้ามาด่าเป็นคําพูดเราเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วนะ มันเป็นตัวตนที่ไปกระตุ้นอัตราขึ้นมามันก็จะเกิดการปรุงแต่งว่ามีความไม่พอใจขึ้นมามีความโกรธขึ้นมานั่นแหละคือมันไม่ได้รู้เฉยๆมันเป็นไม่ได้สักแต่ว่าแต่คําว่าสักแต่ว่าคือรู้รู้นะมันรู้แต่ว่ามันไม่ไปคิดต่อนะไม่คิดต่อไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยเท่าไรนั้นเองมันก็จะดับมันก็จะจบในตรงนั้นนะคือมันจะจบเลยแตตรงนี้มันก็ผสมลงเข้าไปด้วยกับความที่มันไม่ตัวไม่ตนที่เราเคยเข้าใจในตรงนี้มาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว มันก็จะสักแต่ว่าได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้ายังมีตัวตนอยู่เต็มที่นะมันกระทบเดียวมันจะไม่สักแต่ว่าหรือมันไม่รู้เฉยเรามันจะพัวขึ้นมาเลยนะมันจะระเบิดขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะเพราะตัวตนมันโตมันอยู่ภายในมันเป็นระเบิดที่อยู่ภายในอยู่แล้วนะพอจุดชนวนปุ๊บมันระเบิดเลยนะแต่ถ้าภายในมันก็มีนะแต่ว่าชนวนมันด้านมันจะจุดไม่ติดนะชนวนมันได้ก็คือมันเกิดการวางตัวตนมาตลอดแล้วคือค่อยๆวางตัววางตนนี่แหละที่มันมีความเข้าใจ ในการที่เราเห็นหลพาวะที่มันอันิจจังทุกอยางต่าที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะมันก็จะค่อยๆวางตัวตนลงไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นการไปิวรรมทั้งหมดก็คื อ, อกลับมาเห็นความจริงว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เท่านั้นเองนะเพื่อบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจริงมีความไม่เที่ยงมีความทุกข์ปรากฏขึ้นมานั่นเองนะเราไปบวชรมก็เพื่อเห็นความจริงในตรงนี้นะซึ่งมันก็เห็นชัดอยู่แล้ว เราปฏิบัติทำแล้วบางวันก็ดีบางวันรู้สึกมีสติดีมีความรู้สึกตัวดีแต่ว่าวันต่อมาหรือวันอื่นๆมันก็จะไม่เป็นเช่นนั้นตลอดไปบางทีมันก็จะหลงนะหรือไม่ค่อยรู้สึกตัวต่างๆแลวก็แสดงแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ก็จึงไม่เที่ยงให้เราเห็นนะนะจิตมันค่อยๆเข้าใจซึมซับในตรงเนี้ยบ่อยๆเห็นความเกิดความดับของความจริงนะที่ว่าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไป เห็นความคิดที่เขามาแล้วก็ไปโดยที่เราไม่บังคับเขาแต่เขาก็มาก็ไปเองเห็นความโกรธความรักความชังที่เขามาแล้วก็ไปนีมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราเห็นนิจังทุกทางตาว่าสิ่งต่างมีความเกิดและดับไปไม่ใช่ตัวเมตตนนะตรงนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นเป็นฐานนะเขาเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลใหม่ฐานข้อมูลใหม่ที่มันจะจัดการกับฐานข้อมูลเก่าที่ว่าเป็นตัวเป็นตนบังคับเขาได้นะเป็นนิจังเป็นความเที่ยงนี่แหละ เมื่อฐานข้อมูลใหม่เข้ามาเต็มที่แล้วเมื่อกระทบะหูได้ยินเสียงหรือตาเห็นรูปแล้วเนี่ยมันจะวางได้เร็วขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าเออสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ตัวไม่ตนจริงดับแล้วก็ไปแต่ว่าฐานข้ อ, ขอมูลของเราไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นของเก่ามันตัวเป็นตนต่างๆเหล่านี้อยู่มันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ว่าเราปฏิบัติรำแล้วเนี่ยเห็นอนิจจังถูกขังนาตาไหมในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ในไหม ถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ไบ่อยแล้วเนี่ยอีกหน่อยจิตมันจะ ค, อ ค, อคอ่อยๆรู้เฉยๆมากขึ้นมันก็จะเป็นสักว่ า, าได้มากขึ้น <c oughs> ได้บ่อยขึ้นนะตรงนี้เกิดการปล่อยการวางได้เร็วและง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นความที่ว่าครูวิจารก็ได้สรุปนะธรรมะในสุดท้ายตรงนี้ว่าสัพเพธรรมานารังอภิเนเวสายะธรรมทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือสรุปของธรรมทั้งหลาย เพราะถ้าเราไปบัติธรรมแล้วเลยมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่นะตรงนั้นก็คือความเป็นตัวเป็นตน <c oughs> แต่ถ้าเราไปบัตรธรรมแล้วเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงนั่นแหละความเป็นตัวเป็นตนก็จะน้อยลงเมื่อความเป็นตัวเป็นตนน้อยลงแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะน้อยลงด้วยเพราะเกิดการปล่อยกันวางนะนี่แหละคือขนทางที่เราจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในโอกาสช่วงมหาสงการนี้นะก็ขอรัตนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อามาอำนวยอวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุนทุกคือพระนิพพานโดยเร็วพนันทุกท่านเทรน